ปฏิบัติถึงราตอย่างถึงใจมากการรบการต่อสู้ปฏิเลิกซึ่งเป็นเจ้านหน้าเครองโลกกระทาภายในจิตใจของสัตว์โลกนี้เป็นสิ่งที่สำคัญืีมาก่นเหมือนกันกับ การทาสงครามล้างโลกใครดีอยู่ใครไม่ดีไปหากกิเลสมีความฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าทมที่เราจะนำมาใช้ทมภายในใจก็บันเลยใจตกเป็นทาสของกิเลสตลอดไปแธรทมนาวุธ เครื่องประหารประหารของกิเหลสที่เรานำมาใช้มีกำลังมากไปโดยลำดับกิเหลสก็พนความบันเลไม่ได้ตายก็เป็นอิสระอย่างเต็มที่ก็จับกับตัวเองโดยไม่ต้องไปถามกับ พ, ธธพระพุทธเจ้าตรัสรู้เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นไม่ทรงสนพระภัยว่าจะถามใครอีกในเรื่องความพระจั์แห่งความเบื่อผิดขอ้นใจซึ่งแสดงผลประเสริฐอยู่ภายในพระองค์ทไม่ปรากฏว่าพระองค์ทรงสนพระไทยจะถามใครแม้คนหนึ่งภายในโลกทั้งสามนี้ใจจึงเป็นทั้ง ครางแห่งความปกกปลุกโสมมครางแห่งวัฏจักรเพราะยึดเป็นจ้าม น, นาคปกครองควบคุมใจอยู่ตลอดมาและเป็นครังแห่งความบริรรสุทธิ์พระสุด ในโลกทั้งสามนี้ไม่มีสิ่งใดเสมือนเสมอเหมือนได้เมือ่อสิ่งที่กตกกระปลกรุงดังคือวัตกรได้สลายไปจากใจหมดแล้วด้วยการปราดกลางโดยทางความเพียรและเครื่องมือที่ทันสมัยพระองค์จึง มีความสามารถลาดแลแหลมคมแยะรงกลมอัดร่าหานเต็มขึ้นนับแต่ขณะที่จะดาดส ร, รู้มาแล้วนำทำออกสั่งสอนโลกทั้งสามนี้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มถังผู้มีความมุ่งต่อความจริงอยู่แล้วจึง ไม่ถึงใจในขณะที่พระ อ, องค์แสดงอธรรมขั้นล้นนั้ น, น, นซึ่งเป็นความจริงด้วยกันตามส่วนแห่งธรรมให้เข้าถึงใจรู้ราบซึ้งถึงใจอย่างเต็มที่เมื่อการแสดงถึงโทษถึงภัยที่เป็นอยู่ภายในใจิตใจให้ถึงเหตุถึงผลถึงโทษจริงๆทู่ฟังก็ได้ฟัง และทราบซึ้งถึงโทษในสิ่งที่เป็นโทษภายในใจจริงๆและได้ฟังทั้งสิ่งที่เป็นคุณให้ถึงใจจริงๆภายในใจของตนจากพระโอวาของพระพุท ธ, ธจเจ้าแลความเห็นโทษและความเห็นคุณนั้นจึงเป็นกําลังไม่มีสิ่งใดเสมอได้อีกเช่นเดียวกันที่จะ มีแก่ใจในสิ่งที่จะละหรือควรละก็ต้องล ะ, งละด้วยความถึงใจสู้กันถึงเป็นถึงตายในสิ่งที่จะควรบำเพ็ญมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเพื่อถึงจุดหมายปราทางอันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างถึงใจนั้นก็ทำอย่างถึงใจ สุดท้ายชีวิตจิตใจความเป็นอยู่ร่างในสกลากายความทุขความทุกข์ที่เป็นอยู่ในท่านในขันไม่มีอาการใดสิ่งใดที่จะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินด้วยความเห็นคุณและเห็นโทษอย่างถึงใจนั้นเลย เพราะพพุทธเจ้าทรงรู้อย่างถึงพระไทยหรืออย่างถึงใจทรงสั่งสอนทัศโลกด้วยพามเมตตาอย่างถึงใจเช่นเดียวกัน <c oughs> และทำนั้นก็ถูกต้องไม่มีผิดพลาดพลาดเพื่อทรงกับคำว่าสวขาตธรรมปรับไว้ชอบแล้วชอบแล้วทุกขั้นทุกภูมิแห่งธรรมไม่มีแง่ที่จะสงสัย ทรงแสดงสิ่งใดว่าผิดต้องผิดไปตามที่ทรงแสดงนั้นแท้ไม่เป็นอื่นทรงแสดงว่าทางนี้เป็นทางถูกวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ถูกต้องให้ส่งเสริมกําลังของตนและความภาคภียิทุกได้เพื่อโหมตัวเข้าสู่จุดที่ตนต้องการอันเป็นผลที่จะพึงหวังนั้น อย่างเต็มที่เต็มฐานด้วยเหตุนี้บรรดาพระสาวกทั้งหลายที่ออกมาจากสกุลต่างๆจึงไม่ปรากฏว่าสาวกองใดมีความห่วงใยพัวพันกับลูกกับหลานกับบ้านช่องสมบัติพระสถานด้วยฐาบรรดาศักด์มากน้อยเนื่องจากได้เห็นคุณเห็นโทษแล้วอย่างถึงใจในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มาแล้วอย่างเต็มใจจาก พระโอาวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าและจากประสบะการณ์ที่ตนไม่เคยผ่านมาแล้วเป็นแต่เพียงว่ายังไม่เข้าใจในขณะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังพระองค์แสดงอย่างถึงใจแล้วยอมสนัดตัดขาดไปได้ทันทีความที่จิเคยเยื่อใยในสิ่งทั้งหลายมาดั้งเดิมนั้นย้อนกระแสเข้ามาเป็นความเยื่อใยฝ่ายธรรม เพื่อนำตนให้ประกอบความภาคเทียนอย่างเต็มที่เต็มฐานด้วยเหตุนี้พิเลศจึงต้องขาดไปเรื่อยๆฐานที่อยู่ก็มุ่งแต่จุดสำคัญสาคัญที่จะเป็นฐานที่ข้าพิเลศได้เป็นอย่างหนึอาหารการบริโภคก็ มีความมุ่งหมายต่ออาหารประเภทสับยายะคือขันลงไปแล้วเป็ น, เ, ปนเครื่องสนับสนุนความภาคเพียรดยถ่ายเดียวพอและพอยังขันให้เป็นไปเท่านั้นไม่ได้ต้องการความอริสอร่อยในรสในชาติของอาหารประเภทนั้นๆซึ่งเคยรับมาแล้วอย่างจำจีไม่เห็นได้รับความวิเศษยิโสประการใดเลย เพิงตับออกจากความที่เคยเป็นมานั้นเข้าสู่ความเป็นอาหารสัพตายะสะดวกสบายชังนลงไปแล้วเป็นคุณต่อจิตใจไม่เป็นโทษต่อจิตใจและไม่เป็นเครื่องส่งเสริมร่างกายให้มีกำลังมากขึ้นเพื่อทับผมจิตใจให้ดำเนินเรื่อ ได้ด้วยความลำบากลำบ น, นปุกราชสปายะคบค้าสมาคมก็มีตั้งแต่ผู้ปฏิบัติเพื่อที่จะดุพ้นอันเป็นความรู้ความเห็นประเภทเดียวกันจึงคบค้าสมาคมกันได้ด้วยความสนิทตายใจประหนึ่งอวัยวะเดียวกันไม่เคยสนใจว่า ท่านอง์นั้นมาจากาธาตุนั้นวันนั้นนั้นฐานะนั้นเป็นต้นสนใจแต่ว่าเป็นที่ไว้ใจซึ่งกันและกันเป็นเครื่องส่งเสริมสติกําลังศรัทธาความเพียรหรือปัญญาทุกแง่ทุกมุที่จะให้มีกําลังมากขึ้นเพราะการบคบ้าสมาคมหรือสนทนาซึ่งกันและกันเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วทําไมทํา ที่มุ่งที่ปรารถนาอยู่อย่างเต็มใจและสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งที่จะส่งเสริมทำที่ปรารถนานี้ให้มีกําลังมากาขึ้นโดยลําดับแล้วทำเหล่านี้จะไม่เจริญรุ่งเรืองวิเด จ, จะไม่ค่อยเหือดแห้งหมดไปได้อย่างไรวิเดต้องค่อยหมดไปทำ คือเพื่อปราถนานับตั้งแต่สมาธิธรรมคือความสงบร่มเย็นภายในใ จ, ใจิตใจไม่คพุ่งสร้างนำคาญวุ่นวายทายแสบไปตามอารมณ์ที่เคยเป็นมาซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสล้วนลวนเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาและปผลไฟในธรรมอันเป็นอารมณ์เครื่องแก้กิเลสอาสวะซึ่งเป็นสิ่งที่สดกบกนั้นโดยลําดับลําดานในท่าอิรียาบถ ต่างๆและสถานที่ต่างๆดูตลอดเวลาทำทั้งหลายที่จะพึงปรากฏขึ้นใครเป็นผู้มีเจตนาใครเป็นผู้มุ่งมั่นต่อทำเหล่านั้นใครเป็นผู้คิดดำดิแง่ต่างๆแห่งธรรมที่จะให้เป็นไปตามธรรมที่ตนต้องการนั้นก็คือใจ ได้ยยเป็นผู้ดำเนินงานได้ยยเป็นผู้ประสงค์ที่จะรู้จะเห็นในสิ่งที่ควรรู้ควรเห็นควรละควรถอนได้ยยจึงต้องรู้ทั้งวิเลสที่หมดไปมากน้อยภายในใจิตใจและรู้ทั้งธรรมที่ปรากฏขึ้นมากน้อยภายในใจิตใจมีสมาธิธรรมเป็นต้นโดยลำดับลำดับ นี่คือทางดำเนินของผู้จักหรือพบหรือชาหรือวัตตะสงสารหรือกองทุกข์ทั้งมวลซึ่งเคยแบกเคยหามเคยสัมผัสสัมพันธ์กันมาแต่กับใดกันใดก็ตาน ม, มีใจเป็นตัวการสำคัญที่สังเชื่อไว้ภายในตนเพื่อจะตั้งป่าช้าในภพนั้นภพนี้มีวิบากคือผลที่จะให้สัตว์ทั้งหลายได้รับความสุขความทุกข์ มากน้อยตามวิบากของตนในภพชาตินั้นๆทิงเหล่านี้ค่อยหมดไปโดยลำดับเพราะอำนาจแห่งการต่อสู้การบำเพ็ญชำระล้างภายในใจิตใจ ผู้แสดงก็เป็นศาสดราอคงเอกเอกทั้งอุบายเนี่ยนำสั่งสอนต่างๆเอกทั้งพระจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆผู้ฟังก็ฟังเพื่อทำอันเอกเพราะฉะนั้นดีต่อดีจริงต่อจริงเข้ามาประสานกันซิงบวกกันเข้าเป็นความจริงล้วนๆได้อย่างเป็นสัตว์เป็นส่วนไม่สงไม่มีสงสัย ด้วยเหตุนี้จึงปรากฏอย่างเด่นชัดแล้วในตำลา่าออกมาซึ่งออกมาจากปัจจุบันของแต่ละองค์องค์ที่ได้สะดับตฟังจากพุทธเจ้าแล้วบำเพ็ญอย่างถึงใจจนได้บรรลุมรรคผลนิพพานขึ้นมาเป็นลำดับตํางากลายเป็นพุทธังธรรมัาางสังฆังแสนังาากัจฉาโลกสักกัจฉามิของโลกได้อย่างเปิดเผยทำเหล่านี้ไม่ใช่ทำสักแต่ว่าคาพูด ไม่ใช่ใชทำคาดคณเดาเออกไม่ใช่ทำลวงโลกแต่คือทำของจริงเราอยากท้าบธรรมของจริงนี้ประจักษ์ใจพึงปฏิบัติตามพระโอาวาธทธรรมสั่งสอนของพระพุทธเจ้าติ่ที่ไว้แล้วโดยถูกต้องทุกแง่ทุกผูทกทก้ทุกมุม น, น้ำหนักของธรรมที่จะให้เป็นที่อบอุ่น เป็นที่แน่ใจและเป็นเครื่องยืนยันได้อย่างเป็นภูมิฐานของใจนั้นจะเกิดขึ้นจากความจริงที่เนื่องมาจากการปฏิบัติล้วนๆสำหรับความจำนั่นได้แก่การศึกษาเรียนมามากน้อยนั่นเป็นความจำไม่สามารถที่จะ ทำความหนักแน่นมั่นคงและเป็นที่แน่ใจให้แก่ผู้ที่จดจดจดจำมาได้มากน้อยนั้นเลยเพราะการเรียนมานั้นเรียนมาเพื่อจะรู้วิธีการดำเนินคือภาคปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติการเรียนก็เป็นเพียงความจำความจำนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อันใดที่จะ ให้ความสงบสุขเย็นใจเป็นต้นเกิดกขึ้นเสียตนกิเลสประเภทใดก็ตามซึ่งเคยมีอยู่ภายในใจิตใจจะไม่ล่อยหลอไปบ้างเหลอแน่ะนิดนอกจากจะเป็นการสร้างกิเลสความยึดมั่นถือมั่นสำคัญตนว่าจดจำาริเรียนได้มากน้อยเท่านั้นเลยขัดกับหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเพื่อแก้เพื่อถ อ, ถอนกิเลสอสระไปเสีย โดยเจ้าตัวไม่รู้เพราะฉะนั้นเรื่องความจำที่เราศึกษาเราเรียนมามากน้อยนั้นจึงเป็นเพียงปากเป็นทางหรือเป็นประทับฐานเบื้องต้นที่จะให้เป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติจึงไม่เป็นที่แน่ใจเป็นที่ไว้ใจได้เป็นที่ตายใจได้เราจึงต้องปฏิบัติเพื่อความจริง ความจำกับความจริงนั้นต่างกันอยู่มากในภาคปฏิบัติเท่านั้นที่จะสามารถทราบในแง่ทั้งสองนี้ได้อย่างกระจัดเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ปฏิบัติผลเกิดขึ้นจากการปฏิบัติคือความรู้จริงเห็นจริงเป็นขั้นขั้นกระจัด ก, กับตนเพราะ การศึกษามานั้นเป็นแนวทางที่ถูกต้งตองแล้วเป็นเข็มทิศทางเดินที่ถูกต้องแล้วผู้ปฏิบัติตามเข็มทิศทางเดินโดยความถูกต้องย่อมจะถึงผลเป็นที่พอใจเป็นขั้ น, น, นๆภูมิภูมิไปโดยลำดัและเป็นความจริงกระจากใจไม่ให้วันไหวให้เป็น ทำเจ้าของให้เป็นที่แน่ใจนับแต่ขั้นสมาธิเพียงจิตสงบเท่านั้นเราก็ทราบได้ชัดว่าความสงบนี้ก่อความเกิดให้เกิดความสุขได้แก่เรามากน้อยเพียงไรมีความเย็นใจมีความเบาใจมีความสว่างสวยอยู่ภายในปิตใจ และปรากฏเป็นความอบอุ่นแน่ใจขึ้นในขณะที่จิตมีความสงบนั้นนี่เป็นที่แน่ใจสำหรับตนเองแม้ผลที่ปรากฏนี้จะค่อยจืดจางเดือนลางไปเพราะการปฏิบัติไม่สม่ำเสมอแต่สักขีพยานแห่งผลที่เคยได้ปรากฏกับตนนี้แล้วจะไม่ลบเดือนไปไหนเดย น, นี่จึงชื่อว่าความจริง ปกติของจิตจะสร้างตั้งแต่วัตจักรวัตตวลุลสร้างแต่พิษแต่ภัยด้วยความคิดปรุงต่างๆไม่หยุดไม่ถอยไม่มีเวลาเวลาทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินด น, นั่งนอนนี่เป็นอัตโนมัติของกิเลสที่ผิดงานให้แก่จักรโลกรละความทุกข์ความลำบากเรื่อยมาเป็นเช่นนี้ทุกหัวใจของสักรโลก เป็นแต่เพียงว่าเจ้าตัวไม่ทราบเท่านั้นจึงต้องอาศัยหลักการปฏิบัติเพื่อจะแก้จะถอดจะถอนจะระงับความคิดความปรุงอันเป็นเรื่องของเีษทั้งหลายนี้ให้ปรากฏความเป็นธรรมขึ้นมาด้วยวิธีการอันเป็นธรรมงานของเราที่ทา นั่นแหละเรียกว่าวิธีการที่เป็นธรรมผลที่เกิดขึ้นจากงานที่เราทำปรากฏเป็นความสงบเย็นใจขึ้นมาตามขั้นตามภูมิของตนจนมีความแน่นหนามัน่นคบมีเป็นผลขึ้นมาโดยลำดับลาดับจะปรากฏขึ้นที่ใจใจเป็นภาชนะใจเป็นผู้รับทราบธรรมทั้งหลายมีมากน้อยหยาบละเอียดจนถึงขั้นวิมุตสูงสุดบุตพล อัศจรรย์อย่างยิ่งไม่มีสินใดเสมอเหมือนก็มีใจเท่านั้นเป็นผู้จะสัมผัสเป็นผู้จะรับทราบเป็นผู้จะรับเป็นภาชนะอย่างเต็มภูมิของตนและเต็มภูมิของธรรมไม่มีสินใดที่จะรับทราบธรรมได้ยิ่งกว่าใจใจจึงควรได้รับการอบรม ด้วยทำเสมอข้อคิดใดก็ตามถ้าเป็นข้อคิดความคิดที่จะทําให้เกิดความยุ่งเหยิงวุ่นวายรับความทุกข์ความคิดนั้นเราอยากจะพูดว่าร้อยทั้งร้อยเป็นกลมายาหรือกลุ่มอุบายการกระทําของกิเลสทั้งหมดความคิดความตรงใด แม้จะลำบากในขณะที่คิดที่ปรุง ด, ด้วยเจตนาดังเราทั้งหลายประกอบความภาคเพียงต้องถือจิตเป็นตัวงานยอมจะรับความทุกข์ความลำบากเช่นเดียวกันแต่ผลปรากฏเป็นความสงบสุขเย็นใจขึ้นมาและความสว่างกระจ่างแจ้งเห็นเหตุเห็นผลตามหลักความจริงของสัจธรรมซึ่งเป็นธรรมของจริงมาดั่งเดึ่โดยลำหนัก จนรู้แจ้งแทงทะลุความละบาก่านี้ไม่จัดว่าเป็นฝ่ายผิดจัดว่าเป็นงานเครื่องปราบปรามที่เหลืมเราเฉพาะอย่างยิ่งเราเป็นนักปฏิบัติขอให้ถืองานนี้จับงานนี้อย่าปล่อยวางเช่นเดียวกับเราเข้าสงครลามอย่าปล่อยอาวุธอย่าเถอะตัว อย่าเที่ยวเพลิดเพลินให้มีความระมัดระวังตัวอยู่เสมอไม่อย่างนั้นจะโดนค่าสึกป ร, ราบพรามให้แหลกทั้งๆ ท, ท, ที่เราต้องการชัยชนะก็จะเหลือแต่ซ่ากระดูกเท่านั้นไม่มีสิ่งใดที่ปรากฏว่าเป็นของดีขึ้นมาเลยในการประกอบความเพียรเพื่อต่อสู้กับวิ่เล็ทุกขระเภท ใ้เพิงทราบว่ากิเลสนี้เป็นสิ่งที่ละเอียดแหลมคมมากยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดภายในจิตใจของสัตว์โลกที่มีกิเลสและการปราบปรามการแก้ไขต้องเป็นสิ่งที่ยากยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดอีกเช่นเดียวกันจึงเป็นเหมือนกับเราเข้าสงคราจับเถอดตัวอ่อนแอไม่ได้ ต้องใช้แคมความเข้มงวดั่วขันอยู่ทุกอาการมีท่าระวังตนด้วยสติมีท่าคิดอ่านด้วยปัญญาที่จะถอบถอนกิเลสหิืปราปรามกิเลสอยู่โดยสม่ำเสมอผู้นั้นแลเป็นผู้มีหวังจะได้ชัยชนะในสงครามล้างโลกภายในจิตใจให้สิ้นซากลงไปกลายเป็นผู้หมดปา่าช้าทั้งทั้ ง, ท, งที่จิต ที่เคยเป็นนักจับจองป่าช้าก็ยังครองตัวอยู่ทั้งรู้รู้เห็นเห็นนี่แหละแต่ซากป่าช้าหมดไปแล้วเชื้อของป่าช้าก็หมดไปแล้วภายในใจเหลือแต่ใจรุน่นล้วนไม่มีป่าชา้าไม่มีซากแห่งกิ่เลืทั้งหลายเหลืออยู่นั่นคือท่านผู้บริสุทธิ์นั่นคือท่านผู้ลบล้างป่าช้าได้แล้ว ภายจิตใจรู้ชัดโดยไม่ต้องสงสัยไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ขึ้นมาก็ตามพระสาวกองค์ใดที่ได้บรรลุทาตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ด้วยข้อปฏิบัติของตนก็ถากจะไม่ถามผู้หนึ่งผู้ใดให้เสียเวลมเวลา ขายโง่เพราะไม่มีความงูจะขายแล้วภายในจิตซึ่งเต็มไปด้วยความชนาดแหลมคมและบริสุทธิ์เต็มที่แล้วนี่ทมอยู่ที่นี่เอาให้จริงให้จังการพิจารณาสิ่งใดอย่าทาหลอดเลยทำของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทำหลอดหลไม่ให้ทาอ่อนแอ ความอ่อนแอก็ดีความขี้เกียจที้คลานก็ดีความมักง่ายความซับเพ่าก็ดีราคะความกำหนัดยินดีในอารมณ์ต่างๆก็ดีนี่คือตัวกิเลสทั้งหมดโทสะความหงุดหงิดภายในจิตใจโมหะความลุ่มหลงฝังจมอยู่ภายในใจสมอยู่ตลอดเวลาจนหา เวลาที่ปัญญาจะแยบออกมาไม่ได้ก็คือเรื่องของกิเลสทั้งมวสิ่งเหล่านี้แลเป็นเครื่องครอบคํำจิตใจของจัตุโลกให้รับความทุกข์ความลำบากเราอยากเข้าใจว่าดินฟ้าอากาศมาทำให้ทุกข์ความหิวความกระหายความขาดตก บ, บกทร่องปัจจัยเครื่องอาศัยต่างๆภายในร่างกายมาทำให้เราเป็นทุกข์อันนี้ยอมรับกันทั้งโลก แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ทรงสัมผัสสัมผัญเพราะธาตุขันนั้นเป็นกองอนิจจังทุกขังอนัตตาทำไมจะไม่ผ่านสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามาด้วยฝันนั้นได้ต้องผ่านสาวกทั้งหลายก็ผ่านเป็นเช่นเดียวกับเราเราท่านผัานแต่สำคัญที่จิตไม่มีความยึดความถือรู้เท่าทันกับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ ธรรมชาตินั้นแม้จะอยู่ในท่ามกลางแห่งอนิจจังทุกขังตาซึ่งเป็นเหมือนกงจักรพัดผันอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ไม่ได้เป็นกงจักรเพราะเป็นวิวัตจักรแล้วจึงอยู่ในท่ามกลางแห่งขันด้วยความบริสุทธิ์วิมุตติบุตรพลไม่มีขันใดที่จะเข้าไปแทรกไปสิงไปทําลายความบริสุทธิ์นั้นให้เป็นอย่างอื่นได้เลย นั่นแหละทำแท้เป็นอย่างนั้นอย่าคิดว่าทำแท้อยู่ที่ไหนให้คิดว่าทำแท้นั้นอยู่ที่ความเพียรเป็นพื้นฐานความอุตสาหพยายามเป็นพื้นฐานความอดความทนเหล่านี้เป็นพื้นฐานที่จะให้เกิดอัดเกิดทำขึ้นมาโดยลําดับและอยากคิดว่ามรรคผลนิพพานจะอยู่ที่อื่นใดที่ไหนซึ่ง เป็นตามความ ค, าค่าท่านนี้ส่วนมากเป็นเรื่องของกิเลสพาให้ฆ่าพาให้ ด, ดับต้นเดาแล้วก็สร้างความท้อแท้อ่อนแอความหมดกําลังวางชาความช่วยชาของใจให้แก่ใจได้รับความลําบากอยู่อีกนั่นเองมีตั้งแต่ก้นมายาของกิเลสทั้งนั้นน้อมเป็นอยู่ภายในใจิตใจถ้าไม่ปได้ปฏิบัติเราจะไม่ทราบสิ่งเหล่านี้ได้เลยต้องปฏิบัติ สติปัญญาเป็นสําคัญที่จะพิสูจน์สิ่งเหล่านี้มีความเพียรเป็นเครื่องหนุนหลังมีความอดความทนเป็นเครื่องสนับสนุนให้ต่อสู้ไม่ถอยหลังพระพุทธเจ้าของเราไม่ได้ตรัสรู้ด้วยความทอดแท้อ่อนแออันเป็นเรื่องของกิเลสไม่ได้จงท้อถอยซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสความอดทนก็ รวมอยู่ในพระพุทธเจ้าความเป็นนักต่อสู้กอ็อยู่ในพระพุทธเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาความเป็นธรรมเพื่อความหลุดพ้นเพื่อความเป็นผู้ประสูติแห่งความเป็นศาสดาอยู่กับพระพุทธเจ้าทั้งหมดจงนำคติตัวอย่างร่องรอยอันดีนั้นเข้ามาเป็นสมบัติของตนยึดไว้อย่าได้ปล่อยวาง กิเลสอาสวะจะหนายิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกจะไม่พ้นเครื่องมือที่พระองค์ประทานให้นี้เป็นผู้ทำลายให้แตกกระจายออกไปจากจิตใจนี้ได้เลยเราเกิดในโลกเคยเกิดมานานจะไม่ต้องพูดถึงเรื่องอดีตที่เคยผ่านมาแน่ ว, ว่าเคยเป็นพบใดชาติใดก็าตามเพียงชาติปัจจุบันนี้ธาตขันธ์ของเราเป็นอย่างไร เดินเข้าไปโรงพยาบาลจะเห็นตั้งแต่ตาชาผีดิตเกือนผลนวุ่นวายสายแสดดิ่นดนกวัดแ่งกระเสือกกระสนไปได้วยความเจ็บปวดแสบร้อนด้วยโรคภัยท่้เจ็บประการต่างๆเ ต, ต็มไปหมดทุกห้องทุกหับทุกเตียงกูเข้าไปเยี่ยมคนไข้ก่นหน้าเศร้าเนาหน่อยนั่นเป็นอย่างไรนี่คือกองอนิจจังทุกขังตาคือกองทุก ควรจะเป็นพยานได้เป็นอย่างดีแล้วในปัจจุบันนี้เราเองก็ไม่ได้เข้าโรงพยาบาล น, นั้นแต่ก็ยังต้องได้บำบัด ร, รักษาตนด้วยยุบด้วยยาเท่ากับว่าเราอยู่โรงพยาบาลของสถานที่ที่เราพักอยู่หรืออยู่ในกุฏิในศาลาพยาบาลด้วยยุบด้วยยาไม่เช่นนั้นก็ต้องลาบากห น, นักบนต้องบันเทากันไปเช่นนี้เห็นประจก นี่เป็นส่วนธาตุส่วนฐานความบกพร่องในปัจจัยทั้งสี่คือเครื่องนุ่งห่มใช้สอยอาหารการบริโภคขาดาดุขขาดยาเพียงเท่านี้ก็แสดงความทุกข์ให้เราเห็นอยู่แล้วตั้งแต่ต้นมาจนกระทั่งปัจจุบันเราจะสงสัยไปที่ไหนอีกว่าธาตุฐานอันนี้จะเป็นหอปราสาทราชมเทีย เป็นพรมมโลกเป็นนิพานให้เห็นได้รับความสุขความสบายพอจะเพิดเพลินเรื่องเดิงกับมันเสียจนลืมเนื้อลืมตัวอันเป็นเรื่องของการถูกกรอมจากขี้เล็ดให้หลับสนิทมิด จ, จมโดยไม่รู้สึกตัว <c oughs> นู่พูดถึงเรื่องธาตุเรื่องขันอ่ะพูดถึงเรื่องจิตใจมีเวลาไหนการใดขณะใ ด, ดบ้าง ที่เราได้รับความอิสระเสรีมีความอยู่สะดวกสบายไม่มีเรื่องมีราวก่อควรญภานจิตใจเพราะอำนาจของกิเลสเป็นผู้ทํางานผิดทุกข์ขึ้นมาเหยียบย่ำทําลายจิตใจของเหล่านั้นไม่ความโลภก็ต้องความโกรธไม่ความพอใจก็ความไม่พอใจไม่รักก็ชังกาหนัดยินดีติดนั้นติดนี้ อยู่เช่นนี้ซึ่งเป็นการสร้างเหตุเพื่อผลให้เกิดความทุกข์ร้อนเยียบย่ำทำลายภายนจิตใจของตนอยู่ตลอดมาเพราะไม่มียากแก้ไม่มีเครื่องสังหารนี่ก็ให้เห็นชัดๆอยู่แล้วว่าใจที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้ด้วยอํานาจของกิเลสให้ความสุขแก่เราอย่างไรบ้างนอกจากสร้างความไม่สมหวังให้เราอยู่ตลอดเวลา หากจะมีความสุขบ้างก็เป็นเรื่องที่เศษเสกสันสันพันยอดด้นด้น ด, นดาวดาเกาหมัดกันไปตามโลกตามรงสารเท่านั้นความจริงแล้วมันมีตั้งแต่เหยื่อล่อปลากิเลสหาเหยื่อมาล่อคนโงูให้ติดจมไปเท่านั้นอ้าวถ้าเราอยากทราบทิ้งเหล่านี้ว่าเป็นเหยื่อล่อแก้ลงไป ฝืนไปตามหลักธรรมที่เป็นเครื่องต่อสู้กิเลสเราอย่าคล้อยตามกิเลสจะไม่ใช่เป็นเรื่องต่อสู้จะเป็นเรื่องยอมจำนนกิเลสมันทาให้รักรักเพราะเหตุผลกลไกอันไหนนี่คือการต่อสู้คือการพิสูจน์หาความจริงกันรักรูปรูปไหนรูปนั้นมีความพิเศษหรือวิเศษพิโสมาจากรูปทั้งหลายในโลกนี้หรอ นิเศษีิโสไปจากรูปของเราซึ่งเป็นรูปดินน้ำลมไฟเป็นกองทุกข์นี่ไปอย่างไรบ้างรูปหนังแยกแยะออกดูให้ดีมีอันในเป็นพิเศษพอที่จะให้รุ่มให้หลงให้เกิดความนักความกำหนัดยินดีคลี่คลายเข้าไปตั้งแต่หนังผิวหนังภายนอกขนเข้าไปถึงเนื้อถึงเอ็นถึงกระดูก ทุกอวัยวะภายในจะเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาทางนั้นตามหลักความจริงนอกจากกิเลสมันเสกสรรท่า น, นยอมันกรอมสรรโลกด้วยความปีนอัดปีนถังปีนเกียว ก, กันกับความจริงหลอกลวงม่าเป็นของสวยของงามของหน้ากำหนัดรักใครยินดีอเป็นเราเป็นของเราถ้าได้มาเป็นของเราแล้วจะเป็นที่พึงใจ นี่คือความหลอกลวงของกิเลสทั้งนั้นเมื่อได้เข้ามาแล้วเป็นอย่างไรดูโดยลำพังใจของเรากับเรามันก็ทะเลาะกันอยู่แล้วมีสองคู่ครองเข้ามาอีกก็เริ่มมาทะเลาะกันอีกยุ่งไปหมดซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสจับหัวชนกันทั้งนั้นนี่ความสุขที่ตรงไหนนี่การพิจาราคือการต่อสู้ต้องใช้วิทีการอย่างนี้ เราแยกเข้าไปจนกระทั่งมันแตกกระจัดกระจายลงไปกระดูกท่อนนี้เหลือเป็นที่พึงใจเนื้อชิ้นนี้เหลือเป็นที่พึงใจของเราเราจึงรักดึงกำนัินดีๆเอานักหนา เ, นนน เ, หเป็นาาเช่นนี้เหลือเป็นที่พึงใจอาหารเก่าอาหารใหม่ตับไตไส้พุงอันนี้เหลอเป็นที่พึงใจของเราเราถึงรักถึงชอบเอานักหนาเราถึงไม่เชื่อ ความรักความชอบนี่จนลืมเนื้อลืมตัวลืมบุญลืมบาปลืมอะไรอะไรไปเสียหมดเอาดูให้ดีให้จริงตามหลักธรรมหลักธรรมจะต้องลบล้างความจริงว่าความจอมปลอมทั้งหลายเรื่อนี้ให้หมดไปได้เพราะสิ่งเหื่อนี้เป็นสิ่งจอมปลอมเป็นสิ่งหลอกลวงเป็นสิ่งเสษสารพันยอขึ้นมาอันหาความจริงไม่ได้จึงหาความจุกเพราะการหลงสิ่งเหล่านี้ไม่ได้คนเรา เมื่อได้ค้นให้เห็นตามหลักความจริมนี้ไปโดยลาดับลําดาแล้วใครจะหน้ายึดมั่นถือมั่นละ่ะกระดูก็ทราบว่ากระดูกอยู่แล้วเป็นสมมติขั้นเมื้อหนังมังสังแต่ละอย่างละอย่างข้างบนข้างล่างด้านขวางสถานกลางภายในภายนอกภายในเต็มไปด้วยปราชาผีดิบทั้งเก่าทั้งใหม่ไทยเทกันไปตลอดเวลาเอามาเป็นสาระแก่นสารเป็นที่รักใคร่ชอบใจได้ที่ไหน นี่ปัญญาคน้นฝ้าลงไปให้เห็นค้นแล้วค้นเล่าพิจารณาแล้วพิจารณาเปิดออกมาเรื่อยๆฝุดค้นลงไปเรื่อยๆทําไมจะไม่ถึงแก่นแห่งความจริงตามหลักธรรมล้อนี่เหมื่อนพิจารณาให้เห็นตามหลักความจริงไปโดยลํำดับจิตย่อมมีความสง่าพ่าเผยมีความอุ่นอาศร้าหานมีความเชื่อต่อความจริงและมีความเห็นโทษในความจำปลอมที่เคยเชื่อ มาเปเรียญนานอันเป็นเรื่องของกิเลสหลอกลวงไปโดยลำดับเช่นเดียวกันแล้วปล่อยวางได้ไม่ต้องบอกให้ปล่อยเมื่อเห็นโทษตามหลักความจริงอย่างถึงใจแล้วทําไมจะไม่ปล่อยโทษคนเราไม่ต้องการหาโทษหาทุกนิยมนะหาคุณหาประโยชน์หาความสุขความสบายเท่านั้นการเป็นที่เคยเป็นมานั้นมันเอาความสุขความสายม า, มาให้เราที่ไหนมั่ง การแก้สิ่งเหล่านี้ให้เห็นตามหลักความจริงของธรรมที่ตรัสไม่ชอบแล้วนี่มีทั้งแต่เรื่องจะสั่งสมความสุขความสบายความหายกังวลทุกแง่ทุกมุมตัดทาระอุปท า, านความยึดมั่นถือมั่นซึ่งหนักเอึ้องอยู่พายใ จ, จิตใจออกไปโดยลำหนับลำหนับจนกระทั่งจิตดีขึ้นมาเป็นอิสระเสรีเพราะหมดความเยื่อใหญ่ทั้งหลายจากสิ่งจอมปลอมเหล่านั้นด้วยความจริงของธรรมที่ได้รู้ได้เห็นแล้ว แล้วเราจะว่าอย่างไรเมื่อมันเป็นเช่นนั้นแล้วมันจะทนจมอยู่กับนั้นได้อย่างไรเมื่อรู้จริงเห็นจริงอย่างนี้แล้วมันต้องถอดต้องถอนโดยหลักธรรมชาติไม่ต้องไปบังคับนอกจากเหตุเท่านั้นจะต้องต่อสู้กันเหมือนกับบังคับเรียกวาบังคับในสงครามสงครามมันเนื้อฝ่ายศัต ร, รูมัน ป้อนเรื่องเข้ามาตอมเรื่องเข้ามาหลอกเข้ามาด้วยคนนั้นอุบายนี้มห ม, มาถึงพวกฆ้าสึกเราซึ่งเป็นผู้ต่อสู้ฆ่าสึกนำของกินคือสติปัญญาศรัทธาความเพียร น, นี่เข้าไปต่อสู้พิิจพิจารณากันจนเห็นแจ้งตามความกินแล้วต่อยวางลงโดยลาดับนำด เราอยาดแต่ว่ารูปพูดแต่รูปหยับหยาดนี่เลยแม้แต่สิ่งละเอียดซึ่งเป็นอาการออกมาจากจิตจากกายเช่นเวทนาทางกายเวทนาทางจิตทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งเฉยเฉยทั้งสัญญาความจำได้หมายรู้เข้าใจว่าเป็นความตเ น, ตนเป็นของตนสังขานความคิดความปรุงเรื่องราวต่างๆจนหลอกจะของได้ทั้งวันทั้งคืนเพราะสังขารเพราะสัญญา พสมกันเข้าเป็นเรื่องเป็นราวมันก็รู้ได้หมดเมื่อรู้ได้หมดแล้ว ก, ก็ทราบชัดวันนี้คือเงามันทั้งนั้นมันหลอกเราให้เป็นเนื้อเป็นตนเป็นเขาเป็นเหล่าขึ้นมาเป็นของสวยของงามเป็นเรื่องเป็นราขึ้นมาริงๆสติปัญญาแทงทะลุไปหมดปรากฏแต่ความจริงล้วนๆสิ่งเหล่า น, นี้ขาดสะพั้นออกจากใจไม่มีสิ่งใดเหลือ เปนขึ้นโดยหลักธรรมชาติเพราะการปฏิบัติเป็นผู้พาให้เป็นที่เรียกว่าต้นเหตุพาให้เป็นผลอั่งนั้นขึ้นมานั่นีน่แหละการต่อสู้กับกิเลสหนักหรือเบาก็ตามถือเอากิเลสเป็นประมาณกิเลสมาหนั ก, กเอาให้หนักกิเลสมาหนักเราท้อถออยแสดงว่าถอย ยอมจหนเลยทำต้องให้หนักความเพียรให้หนักความอดทนให้หนักสติปัญญาที่เป็นธรรมชาติบุกเบิกทางเพื่อไปได้ความสะดวกราบรื่นไม่ถอยหลังเอาให้หนักสุดท้ายกิเลสก็พังทลายลงไปดังที่เคยกล่าวอยู่เสมอมาว่าอยู่ที่ไหนค่าแต่กิเลสทั้งนั้นเผากิเลสด้วยตัประธรา ไม่ว่าจะอยู่ทางจงกรมไม่ว่าจะนั่งสมาธิภาวนาจะยืนจะเดินจะขบชันไปมาที่ไหนการต่อสู้ของกิเลสภายในยจิตใจด้วยสติปัญญาไม่มีเวลาลดละจนกระทั่งมันไม่มีอะไรเหลือตัดเข้าไปตัดเข้าไปคาดสะบั้นเข้าไปปล่อยเข้าไปเรื่อยๆพาระความ กดท่วงจิตใจก็หมดไปเรื่อยๆจนกระทั่งจุดท้ายทำไมจะไม่รู้ว่าจิตนี่แหละคือตัวการพาให้เกิดให้ตายตั้งป่าช้าที่นั่นตั้งประช้าที่นี่นคลังแห่งประช้าก็คือจิตตอาอวิชชามันสังอยู่ภายในนี้พังทลายลงไปที่ตรงนั้นด้วยสติปัญญาหาสั้นบรรดาที่เป็นสมมุติ อวิชาก็เป็นสมมติอันละเอียดสุดของไตรโลกธาตุซึ่งคลองอยู่หวัวใจสัตว์ได้ทำลายลงไปแล้วด้วยสติปัญญาอันทันสมัยเหลือตั้งแต่ความบอดิสูตรต้นล้วนว่าอาวิชชาได้ดับไปแล้วซากแห่งป่าช้าเชื้อแห่งป่าช้าที่ฝังจมอยู่ภายในใจ ที่พาให้เกิดที่นั่นที่นี่ได้ถูกทําลายลงไปหมดแล้วทีนี้มีแต่จิตวล้วนแต่ไม่มีซ่าแห่งป่าช้าไม่มีป่าช้าเชื้อแห่งป่าช้าคืออวิชาก็ไม่มีซ่าที่เคยเป็นมาก็ไม่มีเห็นได้ชัดในปัจจุบนันนะจิตนั่นเรียกว่า ได้ชัยชนะแม่ตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้ว่าการชนะสงขลาหูนด้วยร้อยด้วยพันด้วยหลานไม่ได้ประเสริฐอะไรเหมือนผู้ที่ชนะที่เล็กของตนภายในจิตเพียงผู้เดียวเท่านั้นเป็นผู้ประเสริฐสุดนักั้างว ความสุขใดก็ตามไม่มีสิ่งใดที่จะวิเศษสุดยิ่งกว่าความสุขที่พ้นแล้วจากสมมุติทั้งมวลเป็นอิสณะอย่างเป็นตัวภายในใจนี่ผลแห่งความเป็นนักรบของผู้เอาจริงองจังเห็นโทษแห่งสิ่งที่เป็นโทษอย่างถึงใจ เห็นคุณในสิ่งที่เป็นคุณอย่างถึงใจแล้วรวมเป็นกำลังของน้ำใจให้เกิดความเพียรขึ้นอย่างถึงใจภูเขาเจ็ดชั้นก็แตกกระจายถ้าความเพียรได้เต็มที่เข้าในจุดใดจะไม่มีอะไรเหลือมีกิเลสจะให้หนายิ่งกว่าความกำแพงเจ็ดชั้นหรือหนายิ่งกว่าภูเขาก็ตามถึกนัตถิปัญญาสมาอาภา ไม่มีสิ่งใดที่จะรู้แจ้งแทงตลอดไปยิ่งกว่าปัญญานี้ได้เพราะฉะนั้นปัญญาจึงไม่จึงสามารถแทงทะลุไปหมดบรรดาความมืดดำรำขาวทั้งหลายซึ่งเคยมีอยู่ภายในจิตใจเพราะอํานาจของอวิชชาไม่มีเหลือเลยเหลือตั้งแต่ญานางอุดปาฏิสนญาณได้เกิดขึ้นแล้ววิชาอุดปาฏิปัญญาไม่เกิดขึ้นแล้ว อาโลกโกอุดป า, าดีความสว่างกระจ่างแจ้งรอบกิบรอบโลกกระถางได้เกิดขึ้นแล้วอมั่นกล่าวไว้แล้วไในอธรรมจั ก, กรก ว, วัตวัฒนสูตรกล่าวจากความรู้จริงเห็นจริงด้วยการปฏิบัติจริงของพระพุทธเจ้าในธรรมจั ก, กรกวัตวัตนสูตรนั้นอยู่ที่ไหนเวลานี้ทุกอยู่ที่ไหนถ้ามาอยู่ที่หัวใจของเราด้วยกันชโมทัย คือกิเลสประเภทต่างๆอยู่ที่ไหนถ้ามาอยู่ที่หัวใจของพวกเรามารคือสติสมาธิสมาสังเป็นต้นจนกระทั่งถึงสมาสมาธิเป็นที่สุดเมีอยู่ที่ไหนถ้าไม่มีอยู่ที่หัวใจของพวกเราเหมือมีอยู่ที่นี่นี่โรดคือความดับทุกข์จะดับที่ไหนถ้าไม่ดับที่ตรงนี้ เพราะฉะนั้นถ้รรมามันจะกลับปวตาท่านสุดที่ท่านแสดงนั้นท่านทอดดอกปาจากความเป็นจริงของพวกเราทุกท่านมาสอนพวกเราให้มีความรู้แจง้งเห็นจริงโดยท่าเดียวเท่านั้นที่จะพึ้นได้ลราทัานให้พากันเข้าใจหยุดติดตามไม่เพียงเท่านั้น